أ عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده و ن س ت ع ي ن ه و ن س ت ق ف ل استحدي ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا م ن يهده الله فلا م ض ل ل ه و م ن ي د ل ل ه فلا ه ا د ي ل ا ً ما بع سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับครับมาพูดคุยกันนะครับในคำพูดหรือว่าภาพล้ำรับ พระดำรับที่ดีเลิศที่สุดนะครับผมนั่นก็คือคำพูดของพวกอัลลอฮ์คำพี่อัลกุรอานของพระองค์ครับผมพี่น้องที่รักยิ่งครับเรายังคงพูดคุยกันอยู่ในสุระอัชชัมส์ซึ่งวันนี้เราก็จะมาต่อในช่วงสุดท้ายของสุระอัชชัมส์กันแล้วก็มาดูว่าชาวล้อเราจะได้รับอุทาหรณ์หรือว่าประโยชน์ไดบ้างในวันนี้ชาวลอนะครับผมซึ่งก็ ขอดูอาจากพกระวรรล์นะครับให้การพูดคุยของเรานี้อยู่บนพื้นฐานแห่งความบริสุทธิ์ใจเพื่อให้พระวรรล์พอใจให้พระวรรล์รักอย่างแท้จริงแล้วก็ขอให้เรานั้นได้ประโยชน์จากสิ่งที่เราทําแล้วก็ให้มันอยู่ในตาช่างที่ดีงามของเราด้วยเถิดอาเมนครับผมพี่น้องที่รักยิ่งครับพระวรรล์ได้ทรงสาบานไว้ในสุรรออนี้นะครับที่พวกเราย้ํากันมาตลอดนะครับในสุ ร, รบัชัมส์ขอสาบานด้วยกับสิ่งต่างๆมากมายถึง7อย่างด้วยกันนั่นก็คือพระวรรได้ขอสาบานพระวรรลได้สาบานด้วยกับดวงอาทิตย์ พวกได้สาบายด้วยกับดวงจันทร์ได้สาบานกับยามค่ําคืนย่ายสบายด้วยกับยามกลางวันได้สาบานด้วยกับท้องฟ้าได้สาบายด้วยกับพื้นแผ่นดินแล้วพวกก็ได้สาบายด้วยกับชีวิตของมนุษย์ที่คนเราได้สร้างมาครับสําหรับท่านที่สละมานะครับก็ไวลิกุมสซาลาหมรัตุลละวะบารอกาตุครับผมช่วงนี้เสียงจะเบานิดหน่อยนะครับผมอาจจะต้องใส่หูฟังนะครับผมจนกว่าจะมีจังหวะได้เปลี่ยน มือถือสัญญาณน่าจะดีขึ้นในเช้าล่ะครับก็ช่วงนี้ก็ขอมาฟทุกท่านอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ช่วยกันอดทนไปด้วยกันก่อนนะครับผมครับแต่ว่าน่าจะพอได้ยินเสียงอยู่นะครับพี่ชาวล้อครับผมพี่น้องที่รักครับหลังจากที่ในสุรอาชัมส์พงได้ทรงสาบานด้วยกับสิ่งต่างๆถึงเจอย่างด้วยกันพงล้อก็ได้พูดต่อถึงประเด็นที่สําคัญว่าทําไมถึงต้องสาบานด้วยกับเจอย่าง องสาบานด้วยกับเจอย่างนี้เป้าหมายสําคัญก็คือเพื่อที่จะย้ํากับมนุษย์ให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของเรานั้นไม่ใช่สิ่งที่อยู่ใต้ฟากฟ้าไม่ใช่สิ่งที่อยู่ใต้แผ่นดินไม่ใช่สิ่งที่มาในเวลากลางวันไม่ใช่สิ่งที่มาในเวลากลางคืนไม่ใช่ดวงอาทิตย์แล้วก็ไม่ใช่ดวงจันทร์สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ส่งผลกับพวกเรามากที่สุดไม่ใช่ความร้อนแรงไม่ใช่ความเย็นสบาย แต่สิ่งที่ส่งผลต่อมนุษย์ทุกคนมากที่สุดในชีวิตของเขาคือหัวใจของเขาเองกดอ l a h ามันซ์เกะฮะวกเดข้อบัมันดัสะฮ a h a กเราด้กล่าวไว้ครับในส่วนเ ร, ร่อนี้ว่าใครก็ตามที่ได้ขัดเกลาวจิตใจของเขาจนสะอาดแล้วก o อัฟละฮะเขานั้นได้รับชัยชนะแล้วขัดเกลาวเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้รับชัยชนะเรียบร้อยแล้วกดอ a f ล a มันซ์เ k a h a วก็เดาคอบ้มันดาสือหาแล้วใครก็ตามที่ได้ทําให้หัวใจของเขานั้นสกรปรกไปเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้พบกับความขาดทุนแล้วพี่น้องที่รักยิ่งครับความขาดทุนในที่นี้หัวใจของเราเนี่ยเราอยากคิดว่ามันมีผลกระทบแค่ตัวเราเองนะครับผมการที่เราขัดเกลาจิตใจตนมาไม่ได้ส่งผลแค่ตัวเราเองแต่มันส่งผลไปยังบุคคลรอบข้างเราด้วยเช่นเดียวกันและในมุมกลับกันครับถ้าเราทําให้จิตใจของเราสกรปรก เราก็จะส่งผลต่อบุคคลรอบข้างเราเช่นเดียวกันคนเป็นพ่อบ้านมีผลกระทบต่อแม่บ้านแล้วก็มีผลกระทบต่อลูกบ้านเช่นเดียวกับว่าแม่บ้านแล้วก็มีผลกระทบต่อพ่อบ้านแล้วก็ลูกบ้านเช่นเดียวกันแล้วถ้ามองในภาพรวมครับจิตใจของคนคนนึงมันไม่ใช่จบอยู่แค่ตัวเขาแต่มันยังส่งผลกระทบไปให้กับบุคคลในสังคมได้ด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันครับ จิตใจที่ชั่วร้ายหนึ่งจิตใจอาจจะเป็นเหตุให้เมืองทั้งเมืองนั้นต้องถูกทำลายจนลาบศูนย์ไปก็เป็นได้ครับผมนี่คือความยิ่งใหญ่ของใจของเรามาถัว่าผลกระทบอันยิ่งใหญ่ที่มันเกิดจากจิตใจของเราที่บางทีเรา อ, อาจจะมองข้าบางทีเรออาาใช้ความสำคัญกับอะไรก็ตามแต่ เราใช้ความสําคัญกับสิ่งอื่นที่พองล้อสร้างมาที่มันไม่ใช่ตัวเราแต่พวงล้อบอกให้เรารู้ว่าอะไรก็ตามแต่ที่พวงสร้างมามันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนมันจะซับซ้อนแค่ไหนสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราต้องให้ความสําคัญกับมันคือดวงใจของเราเห็นไหมที่ได้หยิบมาทำนี่แหละเรามาดูขั้นในส่วนนี้ครับหลังจากที่พวงล้อบอกว่าจิตใจที่รับชัยชนะคือจิตใจที่ได้รับการขัดเก่าและจิตใจที่ว่าได้รับความขาดทุนนั้นคือจิตใจที่ ทำให้มันนั้นสปกปรกพออัลลอฮ์ได้พูดต่อมาครับหลังจากที่ว่ากออัฟลามันซักกะฮกอคอมันดัสฮกับมูดบิตวฮกลุ่มสมดนั้นได้ปฏิเสธได้ปฏิเสธปฏิเสธอะไรครับปฏิเสธสัจธรรมด้วยกับการฝ่าฝืนเวลาเห็นสัจธรรมมาต่อหน้าต่อตา ซูบานอลาครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจครับภายหลังจากที่พวกลอริซาบานด้วยกับเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากมายแล้วพวกเร า, เราก็ได้พูดถึงความสำคัญของจิตใจของคนพวกลอร์ได้หยิบยกตัวอย่างของกลุ่มชนมาหนึ่งกลุ่มชนนั่นคือกลุ่มชนสมมติซึ่งพวกเรารู้ดีว่าเป็นกลุ่มชนที่ว่าพวกลอร์ได้แต่งตั้งคนที่ดีที่สุดในกลุ่มของพวกเขาก็คือนบีซารแล้วเพื่อมาทําการเชิญชวนพวกเขาให้ไปสู่การกล่าวว้พวกลอร์เพียงองค์เดียวแล้วเขาก็ได้ฝ่าฝืนแล้วเขาก็ถูกลงโทษ พี่นบางท่านอาจจะมีคําถามอยู่ในใจครับทําไมถึงต้องเป็นกลุ่มชนสมุทรในโซลนี้เพราะอย่างที่พวกเราทราบกันครับกลุ่มชนที่ถูกลงโทษนั้นมีมากมายก่อนกลุ่มชนสมุทรคือกลุ่มชนของอาร์ก็คือเนบีฮุดแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกก็คือกลุ่มชนของท่านเนบีนุ่นที่ว่าน้ําท่วมโลกอย่างที่พวกเราทราบกันแล้วก็หลังจากกลุ่มชนของสมุทรก็มีชาวเอ่อเมดิยันขอมาฟงครับก็มีชาวเซดูม ชาสุลุมก็คือกลุ่มชนของนบีลุตแล้วก็มีอีกหลายกลุ่มชนมีฟิร์อุนในกลุ่มของนบีมูซา่าหลายกลุ่มชนที่ว่าเขานั้นได้ถูกทําลายทินาตไปแต่ว่าในขณะเดียวกันในซูรอ้นี้ทําไมต้องเป็นกลุ่มชนสมุทรทําไมกลุ่มชนสมุทรถึงถูกหยิบยกออกมาเมื่อพูดถึงเรื่องของจิตใจ ว่าเราอ้ายลมครับพูอวิลส์เท่านั้นที่รู้แต่นว่ามีนักวิชาการจํานวนไม่น้อยที่ว่าพยายามหาคําอธิบายแน่นอนไม่มีคําตอบที่ชัดเจนจากกุิลา์หรือว่าฮาริสแต่ว่าผู้ที่เชี่ยวชาญที่ว่าทําการศึกษาค้นคว้าอย่างลึกซึ้งเขาพยายามหาคําอธิบายแล้วที่ผมค้นคว้าพบเจอมีอย่างน้อยคำสองคาอธิบายที่อธิบายว่ากลุ่มชนสมูทเนี่ยมีความเกี่ยวพันอะไรกับซูเรนี้บ้างชัศนัแรกครับของเช็ค อิมมูตัมยารอยมอลล้อยแล้วก็อีกหลายนักวิชาการครับมองว่ากลุ่มชนสมุทรเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่ว่าถูกลงโทษด้วยกับบาปที่เบาที่สุดแล้วเมื่อเทียบกับกลุ่มชนอื่นๆในขณะที่ว่าเชลนุกซีกับนักวิชาการอีกหลายท่านมองว่าไม่ใช่นะเหตุผลที่ว่าชาวสมุทรถูกยกมาในเรื่องราวในสุระนี้มีความเป็นไปได้ว่าเพราะความหายาณที่เกิดขึ้นกับกลุ่มชนสมุทรเริ่มจากคนคนเดียว เริ่มจากคนคนเดียวซึ่งพู้อาลักษมร า, าได้กล่าวไว้ว่ากัสบัส์มูดูบิตะกวะฮะอิดิมบะต์อชกอฮะกลุ่มชนสมูตได้ปฏิเสธด้วยกับการดื้อดึงต่อสัต ร, รมเมื่อพวกเขาเห็นมาแล้วอย่างชัดเจนด้วยกับการเร่งรีบของคนคนหนึ่งอิดิมบะต์อชกอห์ฮ้วย่กับความเร่งรีบที่จะปฏิเสธหรือการเร่งรีบที่ว่าจะชักชวนให้คนทาความช่ว ของคนที่ชั่วร้ายที่สุดในกลุ่มชนสมุทรของใครนะครับกลุ่มชนที่ชั่วร้ายที่สุดในเผ่าสมุทรเรื่องราวเป็นยังไงครับเรามาดูเรื่องราวกันในครับอธิบายที่เมื่ออธิบายกล่าวต่อในสรรุรุลอาลอฟอายะห์ที่73ถึงอายะห์ที่79็ก้ันว่าพวกเราจะได้กล่าวยังไงบ้างไวลในสมุทรอาข้าหุมซอลิฮะกลาลยาก้มีอับดุลลา ม่ลิกคุณอิหลินไก่รู้คจะาเอตคุมใบหนตุมรับกุมฮัลีนักตุล้าเลิกุณอายฟ้รู้าตักคุมฟีอัติหล้าว่าล่ามสาบิสฟะุคุอดบนลมลอคลิอายอัลิสสบอุนก็คือตั้งแต่ยะที่73ถึง79้านะครับถ้าเกิดพี่น้องท่านใดสนใจที่จะศึกษาก็เข้าไปดูต่อผมอาจจะไม่ได้แปลอ่สุราอย่างละเอียดแต่ก็อินชาอัลล์ครับหวังว่าจะได้ประโยชน์ สูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ครับเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นเหรอครับในโซนนี้ที่มวัวร์เล่ได้ทงอธิบายไว้กลุ่มชนสมูทครับถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดที่มีโอกาสได้ไปทำฮัชไปทำอุ้มร้อนนะครับแซทที่พาไปหรือว่าคนที่อยู่ที่นั่นอาจจะ พาพี่น้องไปเยี่ยมสถานที่หนึ่งที่ชื่อว่ามาด a าอินซอร์แลมาด้าอินซอรชื่อแปลว่าเมืองของอินซอก็คือเมืองของดับเบิล a ูอิลซอ์มาด้าอินซอรเนี่ยเป็นสถานที่ที่ว่าถ้าเกิดใครไปดูปุ๊บจะตื่นตาตื่นใจเพราะว่ามันจะเป็นคล้ายๆกับภูเขาที่ว่าเต็มไปด้วยภูเขาแล้วในภูเขาเนี่ยถูกสลัดถูกแกะให้เป็นบ้านหมายความว่าไงครับ ภูเขาทั้งลูกถูกเจาะให้เป็นบ้านมีห้องหับมีเตียงนอนมีอะไรก็ตามทําลักษณะคือคนสามารถอยู่อาศัยได้เลยแต่ว่ามันเป็นภูเขาทั้งลูกซึ่งก็สําหรับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับเขาก็จะมีความสงสัยเขาก็คิดว่ามันเป็นไปได้อย่างนีเนี่ยทําไมคนสมัยก่อนเอานวัตกรรมที่ไหนมาซึ่งพระก็ได้กล่าวในกุรอานว่าพระองคเล่าให้ความสามารถกับกลุ่มชนชาวสมมุตรที่ว่ามีความสามารถที่ว่ามีพลังกาลังแล้วมีความสามารถในเรื่องของ วิวันาการหรือพูดง่ายก็คือในเรื่องของวิศวกรรมในเรื่องของการที่ว่าจะไปแกะสลักทํำยังไงให้มันสามารถเป็นโพลให้คนสามารถกอบอยู่ได้ซึ่งเขาทําได้ยังไงจนถึงปัจจุบันก็วอลลอร์ไอลัมวอลลอร์ไอลัมก็ยังเป็นความรู้ที่ว่ายังไม่มีใครสามารถให้คําตอบที่ชัดเจนว่าเขาทําได้ยังไงซึ่งก็ว่ากันว่านะครับกลุ่มชนสมูทเนี่ยเป็นกลุ่มชนที่ว่ามีอายุไขที่ค่อนข้างจะยืนยาวอันนี้ก็เป็นอีกทัศนะนึง ที่มองว่าเหตุผลที่เขาต้องไปเจาะวกเขาอยู่ไม่ใช่แค่ว่ามีพลังกาลังหรือมีความรู้ความสามารถอย่างเดียวแต่เนื่องเพราะว่าพระวอให้เขาเป็นกลุ่มชนที่ว่ามีอายุไขที่ยืนยาวจนกระทั่งว่าเสื้อผ้าที่พวกเขาใส่เนี่ยมันจะผุพังไปบ่อยก่อนเช่นเดียวกันกับบ้านเวลาอยู่บ้านผุ้บ้านก็พังก็ต้องไปสร้างบ้านใหม่ผลสุ้ายก็เลยมาเจาะภูเขาอยู่ก็ ahu, ว่าล่ฮุตตาละอาลัมครับว่าตกลงเขามีชีวิตที่ยืนยาวหรือไม่มันไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่สาระสาระอยู่ที่ว่าพวกเขาหายไปได้ยังไง อารยธรรมนี้ทําไมถึงสาบสูญไปเลยจากคาบสมุทรอาหรับพวกเราด้วยแล้วถ้ากับพวกเราฟังก็ว่าชาวสมุนเนี่ยจริงอยู่ที่ว่าเป็นกลุ่มชนที่ว่ามีวัฒนการมีความรู้ความสามารถที่ว่าค่อนข้างจะมากเกินบุคคลในยุคสมัยนั้นแต่ปัญหาก็คือว่าเขาอยู่ในแผ่นดินที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งแล้วก็แน่นอนครับเขาก็ดําเนินรอยตามกลุ่มชนก่อนหน้านั้นก็คือกลุ่มชนชาวอาร์ทที่ว่ากราบไหว้ในรูปจารีตต่างๆ ในสิ่งที่ว่าเขาสร้างมากับมือในสิ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นบางผลิตที่ดีงามบางผลิตน่าะใช้ความช่วยเหลือได้เขาก็กราบไหว้สิ่งเหล่านั้นจนพวกเลาจะได้แต่งตั้งท่านอบับดุลซอร้อยให้เป็นศาสนทูตของพระองค์เพื่อไปทําการเรียกร้องกลุ่มชนให้รู้ว่าทําไมพวกท่านถึงกราบไหว้สิ่งที่ท่านมาสร้างกับมือของท่านเองละ่ะทำไมถึงกราบไหว้สิ่งเหล่านั้นทําไมไม่กราบไหว้ผู้ทีท่สร้างท่านผู้ที่สร้างทุกสปปรรพสิ่งและพระองค์นั้นเป็นพระเจ้าที่มีเพียงพองค์เดียวคือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮฺา นบีสละได้ทำการเผยแร่กลุ่มชนของท่านเผยแผ่กลุ่มชนของท่านก็มีบางส่วนที่ว่าศรัทธาต่อท่านซึ่งเป็นส่วนน้อยมากๆในขณะที่ว่าส่วนมากนั้นไม่เชื่อในสิ่งที่ท่านบอกมาดื้อๆครับแล้วใครล่ะครับคือคนที่ชั่วร้ายที่สุดในกลุ่มนี้ที่ว่าที่พวกเรากล่าวว่าอิดิมบาอัตอชกาหเมื่อครั้งที่ว่าคนที่ชั่วร้ายที่สุดในกลุ่มชนนี้ได้เป็นฝ่ายที่เริ่มที่จะ ทำการฝา่าฝืนทําการปฏิเสธวัดลอต้ารอาลำครับนะักวิชาการหลายๆท่านมีความเห็นว่าน่าจะเป็นคนที่ชื่อว่ากูดารบินซาลิฟซึ่งชื่อนี้ไม่มีในสายรายงานไม่มีในกูรารไม่มีในฮาริสแต่นักวิชาการหลายท่านค้นมาว่ากันว่าน่าจะค้นมาจากตํำรับตราประวัติศาสตร์ของคนยุค ก, ก่อนก็วัด ล, ลอหัวอาลัมครับผมกูดารบินซาลิฟเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นคนที่ชั่วยร้ายที่สุดในกลุ่มช่วยร้ายในที่นี้ก็คือว่าเป็นคนที่ฝา่าฝืนต่อพวกลอร์มากที่สุด แต่ในกลุ่มที่เขาอยู่นั้นต่างยกย่องว่าเป็นคนที่ยิ่ ง, งใหญ่เป็นคนที่ใครๆก็นับหน้าถือตาเป็นคนที่ว่าอยู่ระดับหัวหน้าถึงไม่ถึงขั้นระดับหัวหน้าเผ่าแต่ก็คือเป็นที่นับหน้าถือตากูดัต บ, บินซาลิฟเนี่ยครับเป็นคนที่ว่ารีเริ่มในการท้าทายท่านอบี ซาแลบอกว่าย่าซาแลหากว่าสิ่งที่เจ้าพูดจริงหาว่าพระลอปเป็นพระเจ้าที่แท้จริงพระองค์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์สามารถทําให้อะไรเกิดขึ้นก็ได้ถ้าอย่างนั้นดูสิเนี่ยตอนนี้มีหินก้อนนึงอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเห็นที่ว่าท่านอบดุลเบี์ อ, อยู่กับชาวเมืองตอนนั้นมีหินลูกขนาดใหญ่เลยกูดัตบอกว่าไงครับถ้าหากว่าพระเจ้าของเจ้านะสามารถทําให้หินก้อนอนี้มันแตกออกมา ระเบิดให้เห็นตาหน้า ต, ตาตเลยแล้วมีอูดตัวใหญ่ที่ว่าท้องแก่ด้วย10เดือนก็คือพร้อมจะคลอดอูดปกติก็อตั้งทันก็คือท้องก็พอๆกับมนุษย์ก็คือเก้เดือน10เดือนก็คือขอให้เป็นอูดตัวเมียตัวใหญ่ๆท้องประมาณสิเดือนเลยแล้วก็ขอให้มีคุณลักษณะแบบว่ามีนมที่ว่าสามารถให้คนทั้งเมืองสามารถดื่มกินได้แล้วก็บอกนบีซาแล้วด้วยกับคุณลักดสัต่าง ๆ, ๆขอให้มีคุณลือดสัดอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้ขอให้ นบีสอดลรกก็ค่อยๆพูดคุยกับเขาว่าโอเคคุณต้องการยังไงบ้างอูที่คุณว่ามาเนี่ยกูรัศกับชาวเมืองคราบพอเห็นกูราศเป็นแกนนาเป็นโตผโในการที่จะปฏิเสธเป็นโต้โผในการที่จะยาะเยะ้ยถกถัยงนบีซอดแล้วก็ชาวเมืองก็พวกที่ฝ่ายที่ว่าคอยตามก็ตั้งเงื่อนไขต้องอย่า ง, งานั้นต้องนี้ต้อ ง, งานั้นต้อ ง, งานี้ผลสุดท้ายพอเขาบอกเงื่อนไขครบถ้านบีซอดแล้วก็บอกว่าองั้นสรุปนะถ้าหากว่าพวกอันล้อให้ ก้อนหินขนาดใหญ่ที่อยู่ข้างหน้าพวกคุณทุกคนตอนเนี้ยมันแตกออกมาแล้วมีอูดอายุสิบอ่ามีอูดตัวเมียที่ท้องแก่อายุท้องสิบเดือนออกมาจากหินก้อนนี้คุณจะศรัทธาต่อร้อยใช่ไหมท่านอบีสซาเลห์ยืนยันคําพูดจากพวกเขาพวกนั้นก็บอกแน่นอนถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้นี่มันเป็นเกินมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วต้องเป็นอํานาจที่ยิ่งใหญ่กว่าพวกเราต้องเป็นพระเจ้าแน่นอนเราจะเชื่อแน่นอน ท่านอับดุลเบี๊ย์ซาเละก็ขอดุทิจากพระอัตถ์พระหัตถ์ก็ให้ชาวเมือ ง, ท, งทั้งหมดที่มาดูในเหตุการณ์ตอนนั้นเห็นต่อหน้าต่อตาเลยว่าภูเขาลูกที่ว่าเป็นก้อนหินคือพี่น้องต้องเข้าใจว่ า, าทางแถบทะเลทรายทางซาอุทางเยเมนทางอะไรประเภทนะ่ะภูเขานี่คือไม่เหมือนบ้านเราที่มีต้นไม่นะภูเขานี่มันจะเหมือนกับว่าเป็นก้อนหินยกัยกษ์หลายก้อนไปกองกองกองกองรวมกันเป็นภูเขาคือเป็นหินล้วนเลยก็มีหินก้อนใหญ่ที่ว่านะครับชาวเมือง เห็นต่อหน้าต่ตาเลยก็คือว่าหินก้อนเนี่ยมันแตกออกมาต่อหน้าต่อตาเขาแล้วก็มีอูดตัวเมียรปรากฏออกมาซึ่งเป็นไปได้ยังไงที่อูดจะอยู่ในก้อนหินแล้วก้อนหินจะระเบิดแล้วอูดก็เป็นตัวเมียแตงหากแล้วก็ท้องแก่ด้วยมันเป็นปาฏิหาริย์แล้วพอชาวเมืองเห็นปุ๊บก็ผู้ที่ว่าเริ่มจะสง่งจะศรัทธาเนี่ยครับศรัทธาทันทีเลยก็ศรัทธาต่อพวกอัลลอฮ์ตามที่ท่านอับดุลเบิดซาแล้เชด้ชว น, ชวน ส่วนกลุ่มชนที่ว่าปฏิเสธศรัทธาเนี่ยมีอยู่ครับต่อให้เห็นมั่วจีศาสตรอยู่ต่อหน้าเหมือนกับที่พวกเราเก่าในครูอานเช่นเดียวกันว่าพวกที่จะเป็นผู้ไปเศษแบบหัวดื้อรั้นสุดๆเนี่ยต่อให้เขาเห็นองค์การมากมายแค่ไหนก็ตามเขาไม่มีทางเชื่อเขาอาจจะบอกว่าเราถูกเล่นคุณใสเราโดนเล่นของหรือว่าเราอาจจะมึนเมาเราอาจจะบ้าคือเขาจะหาเหตุผลอื่นเพื่อที่จะปฏิเสธการมีอยู่ของพระเจ้า ก็เช่นเดียวกันกับกลุ่มชนส่วนใหญ่ของนบีซอลแลก็ไม่ยอมเชื่อแต่พูดไม่ได้แล้วเพราะว่ารับปากกับนบีซอลและเอาไว้ประเด็นเริ่มเกิดขึ้นแล้วครับก็อฟลามันซ์ก์กฮะวก็ค้อบัมันดัสซาฮะจากคนที่ว่าไม่ศรัทธาเมื่อเห็นมุจิศาสของพวกอล้อเมื่อเห็นความสามารถของพวกล้อเขาศรัทธาจิตใจของเขาถูกขัดเกลให้สะอาดอัฟลาฮได้รับชัยชนะ ในขณะที่กลุ่มชนที่ว่ายังคอยเป็นผู้ไปเสดสทธาตอนนี้เริ่มที่จะขาดทุนแล้วแต่เขายังมีข้ออ้างอีกมากมายแต่ในขณะเดียวกันเขาอาจจะพูดอะไรไม่ได้ก็คือท่านะบีซลเลบอกว่าไงครับท่านะบีซลเลก็บอกว่าสำหรับท่านที่ใหสลามาก็วริกลุ่มซาเลมอับดุลเลาะบบาระกาตูครับผมย้ำนะครับช่วงนี้สัญญาณเสียงอาจจะค่อยนิดนึงเพราะว่า มือถือเครื่องนี้ที่ผมใช้สัญญาณไม่ค่อยดีแต่ว่าเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนเร็วนี้อาลนะครับผมก็ช่นนี้ขอขอช่วยดวแล้วก็ขอมักพี่น้องทุกท่านด้วยล้วกลับมาที่เรื่องราวของเราต่อนะครับไฮดรมอชชมงกินดอีพีมื่อ้นขยาพี่บดุมยากจังมั้วะนแล้วกี่้ที่คสุ้มึงแต่เฮน่ากันมิฉน้ ครับกกลับมาที่เรื่องของเรานะครับผมก็คือนบีซาเลก็ได้บอกเงื่อนไขเอาไว้ก็คือชาวเมืองก็หนึ่งในเงื่อนไขที่บอกกับ น, นบีซาเละก็คือเราเนี่ยมีนวัตกรรมมีความสามารถอะไรก็จริงแต่ว่าความไปอยู่ค่อนข้างจะแรงแข้นเพราะว่าอาหารเนี่ยไม่ค่อยมีขอให้อูฐที่ออกมาเนี่ยมีนมมากพอเลี้ยงคนทั้งเมืองด้วยอ๋อนี้นี่คือคาขอที่ ไม่แม็กเซนเลยคือมันไม่อะไจะเป็นไปได้ที่ว่าอูดตัวเดียวจะมีนมมากพอให้คนทั้งเมืองดื่มกินแต่ท่านอบดุลเบีซรัลก็รับปากบอกว่าอูดที่ออกมาเนี่ยจะสามารถให้นมพวกท่านดื่มกินอิ่มกันได้ทั้งเมืองเลยแต่มีเงื่อนไขครับมีเงื่อนไขก็คือว่าในกลุ่มที่ท่านอบดุลเบีซรัลอยู่เนี่ยชาวสมุทเนี่ยเขามีแหล่งทาน้ําอยู่ที่ว่าเป็นแหล่งน้ําหลักที่ว่าคนทั้งเมืองเนี่ยไปดื่มกินท่านอับดุลเบีซรัลก็บอกว่า ตอนเนี่ยอูดออกมาแล้วเป็นสัญญาณของฟองหรอท่านจงอย่าได้ทําอันตรายมันนะอูด ต, ตัวนี้ที่ออกมาเนี่ยมันจะกินน้ํามากเลยเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเต็มเต็มเนี่ยอูดจะกินน้ําของพวกท่านหมดเลยภายในหนวันกินหมดเลยคือในวันที่อูดกินเนี่ยพวกท่านจะไม่สามารถกินน้ําได้วันถัดมาน้ํามันจะค่อยๆเออมาแล้วก็ล้นอีกครั้งหนึ่งวันนั้นแหละพวกท่านก็สามารถดื่มน้ําได้ ก็แปลว่าสลับกันดื่มน้ําวันนึงอุดดืม่มอีกวันชาวเมืองได้ดื่มวันนึงอุดดื่มอีกวันชาวเมืองได้ดื่มก็คือวันที่อุดดื่มชาวเมืองก็ต้องสต๊อกกักน้ําเอาไว้ชาวเมืองได้อะไรตอบแทนครับได้อาหารที่ประเสริฐที่สุดในโลกพี่น้องคิดว่ า, าหาอะไรที่ประเสริฐที่สุดในโลกครับที่ถูกลอกร้องในกุฎากับในฮีดิสนั่นก็คืออินทผละนมกอมาฟครับอินทผละเราเป็นอาหารที่ประเสริฐเช่นเดียวกันแต่นมมีความประเสริฐกว่าในด้านไหน นมมีความประเสริฐกว่าในด้านที่ว่าเป็นได้ทั้งอาหารเป็นได้ทั้งเครื่องดื่มเป็นได้ทั้งของคาวเป็นได้ทั้งของหวานกินเป็นของเล่นก็ได้นมอย่างเดียวเลยจะเป็นนมวัวนมแพะนมอูดนมแกะอะไรก็ตามแต่จะมีความแตกต่างกันแต่ขึ้นชื่อว่านมถือว่าเป็นสุดยอดอาหารของมนุษยชาติซึ่งก็มีบางท่านที่มองว่านมมันไม่ดีมันไม่เหมาะกับคนอะไรก็ตามแต่เมื่อท่านอบีบบอกว่ามันดีเราเชื่อว่ามันดี เพียงแต่ว่าไม่มีอะไรที่ว่าดีโดยที่ไม่มีข้อเสียทุกอย่างมีที่ของมันถ้ามากเกินไม่ดีแต่ถ้าขาดก็ไม่ดีเช่นเดียวกันดูอาเวลากินนมอันนี้ความรู้เสริมนะครับผมก่อนที่เราจะเล่าเรื่องต่อนะดูอาเวลาที่ดื่มนมครับเทนบีมัสเรสลัมได้บอกบอกเอาไว้นะครับเป็นแบบอย่างว่าใครก็ตามที่มีโอกาสได้ดื่มนมให้เขาขอดี ว, ว่าดูอาวา่าอัลลอฮุมาบาริกลนาฟีฮิวซินามิหุอัลลอฮุมบาริกลนาฟีฮิ วาซิทนามินหูซึ่งมีความหมายว่าโอ้พระเจ้าละโปรดให้เราได้รับความเจริญในการดื่มนมนี้ได้รับความจเจริญคือนมที่ดื่มไปเนี่ยอย่าให้มันเป็นโทษอย่าให้มันเป็นพิษขอให้มันทําให้ร่างกายเราแข็งแรงให้เรามีสุขภาพที่ดีให้เราได้ทําอิบาร์ดะอัลลอฮ์ผมะบาริกนาฟีโอ้ละ AH, โปรดให้เรานะั้นมีบาราก้าในการดื่มนมนี้วาซิทนามินหูแล้วก็ขอให้เราได้มีโอกาสดื่มมันไปเรื่อยๆแปลว่าถ้าเป็นมุสลิมเราเห็นว่านมนั้นเป็นอาหารที่ดี แต่อะไรที่มากไปไม่ดีแต่เราจะไม่มองเหมือนคนที่แอนตี้เด็ดขาดบอกนมไม่ดีอย่าไปดื่มดื่มนมแล้วมีข้อเสียงั้นข้อเสียอย่างนี้ข้อเสียที่เขายกมาเป็นเคสน้อยมากๆเลยแต่ข้อเสียสำหรับใครก็ตามที่ไม่ดื่มนมที่ผมเจอหลักๆเลยก็คือว่ามักจะมีปัญหาเรื่องท้องการขับถ่ายจะไม่ค่อยดีพี่น้องก็ลองสังเกตดูกับตัวพี่น้องเองแต่กับผมกับลูกผม ก, กับคนใกล้ชิดผมพบว่าถ้าไม่ได้กินนมไประยะเวลายาวนานมักจะมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายอันนี้ก็ ว่ลาลราหัวอาดัมครับผมทีนี้กับไม่ใช่ชาวเมืองครับชาวเมืองเนี่ยก็แค่ไม่ต้องแค่ไม่ได้กินน้ำหนวันแต่ก็แรกมาด้วยกับการมีนมดื่มกินจนอิ่มหนำสำราญทั้งเผาเขาก็พอจะรับได้อันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ชัดเจนจากพวกเลาละที่เหลือก็คือต้องใช้ความอดทนที่ว่าจะต้องอยู่กับอูดแล้วก็ต้องมีชีวิตที่ว่าแบ่งน้ากับอูด คนละวันตัวละวันสลับกันไปเรื่อยๆลึกๆในใจของคนเริ่มแล้วครับใจที่ว่าอาจจะกะอปกอาจจะเกือบสะอาดอาจจะอะไรก็ตามแต่เมื่อวันเวลาผ่านพ้นไปจุดดำมันแต้มามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตัวของกูดาสบินซาริฟเองเนี่ยรับไม่ได้แต่ก็คือสัญญาไว้แล้วไง ก็ยังรู้สึกติดนิดนึงคือเหมือนกับรออะไรสักอย่างมาสกิดแค่รอโอกาสมาเหมาะมาสกิดแค่นั้นแหละเพราะพอดูคนอื่นที่เป็นชาวเมืองชาวเมืองเขาก็อดทนเหมือนกันเพราะถือว่ารับปากไว้แล้วทีนี้ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมีผู้หญิงสองคนครับคนนึงชื่อว่าซาดูฟอีกคนชื่อาอานิซ่ซาดูฟเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยมากแล้วก็มีสามีแล้วเป็นผู้ศรัทธาเป็นมุสลิม แต่สรุปรับไม่ได้เธอดีเกินไปขออย่าร้างจากสามีของตัวเองก็คือทิ้งสามีได้ืลยเลยสามีที่เป็นผู้ศรัทธาเพราะสามีผู้ศรัทธาผู้ภรรยารับไม่ได้ทีนี้ก็มาตะเวนหาคนที่ว่าน่าจะเป็นคนที่มีกําลังวังชามีหน้ามีตาใครๆก็นับถือเพื่อที่จะได้ยื่นข้อเสนอให้กับเขาก็ไปหาแต่ละคนเลยยื่นข้อเสนอว่าถ้าหากว่า เธอยอมฆ่าอูดฉันยอมเป็นภรรยาเธอเลยถ้าเธอฆ่าอูดตัวนี้ได้นะฉันยอมเป็นภรรยาเลยในขณะที่ผู้หญิงอีกคนอานิซาคนนี้แก่แล้วอานิซาบางก็อาจจะว่ า, าวอานิซาวัลลอฮุอะลามอานิซาเนี่ยแก่ชราแล้วแต่ว่ามีลูกสาวมีลูกสาวอยู่ว่าก็ว่ามีสี่คนคนนึงเป็นภรรยาของผู้สัทธาอีกต่างหากก็ไล่ไปนําเสนอลูกสาวตัวเองให้กับ หัวหน้าเผ่าต่างๆบอกเนี่ยถ้าเกิดว่ายอมฆ่าอูดนั่นเนี่ยยกลูกสาวให้เลยซึ่งผลสุดท้ายครับก็กลับมาที่กูดัตกลับมาที่กูดัตบินซาลิฟกูดับินซาลิฟก็เป็นหัวโจกเรื่องความชั่วอยู่แล้วพอมีผู้หญิงสองคนมาช่วยสกิดมาช่วยแกตุ้นพร้อมรับเลยแล้วก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการเริ่มที่จะปลุกระดมแล้วตอนแรกเริ่มจากคนช่วหนึ่งคน แล้วก็คนชั่วอีกสองคนแล้วก็เอาความชั่วนั้นมาแชร์กันจนท้ายที่สุดครับมีสมัครพรรคพวก9คนสมัครพรรคพวกทั้ง9้าคนนี้ก็ช่วยกันแผดกระจายช่วยกันพูดช่วยกันใส่ไฟช่วยกันสร้างข่าวลือช่วยกันอะไรก็ตามแต่บอกเนี่ยจะปล่อยไปทําไมเนี่ยอูตัวเนี่ยจริงๆเราต้องเป็นสิทธิ์ได้กินแนะนื้อหนิทาไมถึงปล่อยให้มันอยู่ล่ะทําไมเนี่ย แบ่งอยู่กับสัตว์นี่ต่ลงเราระดับเดียวกับสัตว์ก็เลือละไรก็ตามแต่เท่าที่เขาจะพูดใดก็พูดพูดผูดผูดผูดู ด, ด, ดจนผลสุดท้ายครับชาวเมืองเห็นคอยด้วยแน่นอนผู้ศรัทธาไม่เห็นด้วยแต่ว่าชาวเมืองทั้งหมดนอกเหนือจากผู้ศรัทธาเห็นด้วยว่าอย่าปล่อยอูดไว้เลยฆ่าเลยดีกว่าเพียงแต่ชาวเมืองไม่ลงมือไม่ยอมลงมือครับให้9คนเนี่ยไปจัดการซึ่งกูดัตบินซาริฟเนี่ยเป็นคน ตัวตั้งตัวดีที่ว่าถือหอกเพื่อที่จะไปฆ่าซึ่งเนงบีเซแลก็เลยเคยให้กำชับไว้แล้วว่านี่คืออูดของพระเจ้านะนี่คืออูดของอัลลอฮ์นะเพราะอัลลอฮ์ให้พวกท่านมาโดยเฉพาะเลยด้วยกับคุณลักษณะที่ว่าไม่มีในอูดตัวอื่นอื่นอีกแล้วอย่าได้ทำร้ายมาเด็ดขาดแต่เมื่อชาวเมืองทนไม่ไหวแล้วกูดาตก็เลยมาพร้อมกับอาวุธแล้วก็สังหารอูด ต, ตัวเมีย สังหารแม่นั่นแหละแม่อูดสังหารแม่อูดก็แค่แม่อูดแม่อูดก็ตายครับทีนี้ลูกอูดครับก็วิ่งหนีก็ว่ากันว่าครับอันนี้ก็อยู่ในคำพีคำพีโบราณของชาวคมพีโบราณซึ่งเชฟนูกซีสก็เอามาเล่าให้ฟังอีกทีว่าลูกอูดเนี่ยวิ่งหนีขึ้นดอยไปวิ่งหนีขึ้นภูเขาไปซึ่งก็โดนพวกกลุ่มของกูดัดบินซาลิฟเนี่ยไล่ตามฆ่าซึ่งลูกอูดมีโอกาสได้ร้อง3ครั้งก่อนที่จะตาย ร้องสามั้งก่อนที่จะตายแล้วก็ถูกฆ่าให้ตกตายตามแม่ทีนี้ครับเมื่อฆ่าเสร็จปุ๊บท่านอบีอุอสล้มพยายามจะห้ามแต่ไม่สามารถห้ามคนทั้งเมืองที่ต้องการจะสังหารได้ท่านอบีก็บอกว่าจงระวังให้ดีว่าการพูษของพอลอสจะมาถึงแน่นอนกลุ่มของกูดารครับเมื่อฆ่าอูดเสร็จเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นอย่า ก, กระนั้นเลยฆ่าอัลสลามด้วยเลย มันเป็นตัวสร้างความปั่นป่วนมันสร้างความวุ่นวายมันทำให้เราไม่ได้อยู่แบบที่เราควรจะอยู่มันเอาอะไรมาก่อมหัวเราตลอดเวลาก็ไม่รู้ก็เลยตั้งใจที่จะฆ่านะบีสอแล้ด้วยเช่นเดียวกันหลังจากที่ฆ่าอูดไปแล้วสองตัวทั้งหมดเริ่มจากอะไรครับอิริมบาอาดชก็แคนที่ชั่วที่สุดในเมืองหนึ่งคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีคนที่ว่าหัวใจของเขานะ่มันสกรปรกดามืดสุดแล้วเขาก็แพร่เชื้อความสกรปรกของหัวใจ ให้กับคนอื่นแล้วคนอื่นครับเมื่อเห็นความชั่วเขาก็ไม่ห้ามปาเมื่อไม่ห้ามปามถือว่าเหมือนกันเยแล้รีวิตภายใรื่องชวิากินหัวอันเนมายอะมากแล้งมันหรประเด็นนี้สําคัญแล้วก็ต้องขอเตือนพี่น้องนะครับพี่น้องเคยไหมครับบางครั้งที่ว่าเราอาจจะไม่พอใจอะไรสักอย่างเราอาจจะไม่ชอบใครสักคน เราอาจจะอยากให้มันเกิดสิ่งที่ไม่ดีไม่งามกับเขาแล้วพอมีใครสักคนจะทําสิ่งไม่ดีไม่งามกับเขาในในใจแล้วก็แอบรู้สึกเชี้ยะเออนี่ยนะทำมันอย่างนี้เลยมันสมน้ําหน้าแล้วมันสมควรจะโดนแล้วถ้าจากสุร้อนี้หมายความว่าเข้าหูกลุ่มเดียวกันคนที่มีความคิดเดียวกันแต่แค่ไม่ได้ลงมือแต่ว่าเป็นส่วนส่งเสริมหรือว่าแอบเชียร์อยู่ห่างๆเข้าหูกลุ่มเดียวกันกับคนที่ทํามันอิดิน بعد أشكاه ร ق ا ل لهم رسول الله ناقض الله فسقياه ฟ ه ก ف َ ع َ ق َ ر ฟ و ه َ ا ف َ د َ م ดมَ م ม عليهم ربهم بذنب ิ م فسوها ولا يخاف أ ْ ب ه ا ว่าดีกาต่อมาว่าไงครับ فقال لهم رسول الله نقت الله و س ق ي ا ه ا ศาสนาของอัลลอ์ก็ได้บอกแล้วว่านี่คืออุดของอัลลอ์จงให้น้ำกับมันซะจงให้น้ากับมันเสีย ฟะกะดะบูหูฟะอพวกเขาต่างพากันปฏิเสธพวกเราใช้คำว่าพวกเขากลับไปหากลุ่มชนสมุทรทั้งหมดที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาฟะกะดะบูฟะอกรูฮะฟะดั عليهم ربهم بدمهم ف س و ا ผู้อวิบาลนของเขาก็ได้ทำลายพวกเขาให้ราบเป็นหน้ากร้วยกับความชั่วร้ายของพวกเขาโดยที่พงให้ทุกคนนั้นเจอเหมือนกันหมดเลย ให้ทุกคนเจอเหมือนกันหมดก็คือจะเป็นคนที่แอบเชียร์อยู่ห่างๆว่าฆ่าหรือฆ่าเล ย, เลยอยตัวเนี้ยจะปล่อยไว้ทําไมกับคนที่ลงมือเป็นหัวโจก พ, พวาเราใช้คำว่าฟาเซวะฮ์ทาให้ทุกคนนั้นเท่าเทียมกันหมดเลยให้พืนแผ่นดินที่อยู่ในมันเท่าเทียมกันหมดก็คือฆ่าหมดทุกคนไม่มีใครเหลือเลยวาล่ย่าข้อฝุอโกเบฮ์พี่น้องที่รักยิ่งครับเรากลับไปที่เรื่องเล่าของเราต่อเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากที่ว่ากูด้าส์เป็นซาลิฟกับกลุ่ม ต้องการที่จะสังหารท่านอบิสซาเลห์นามยาวิส แ, แต่พอจะสังหารผู้พวกเหล่านั้ให้เกิดเสียงกรัรมปนาธแล้วก็แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจึนกระทั่งว่าชาวเมืองทั้งหมดที่อยู่ในนั้นนะครับหน้าซีดผิวซีดเผือดด้วยความทรมานที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเช้ามาอีกเช้าวันหนึ่งก็มีเสียงบอกว่าผ่านไปแล้วหนึ่งวันลงโทษไปแล้วหนึ่งวัน คือชาวเมืองไม่ทันจะได้ไปฆ่าท่านอบีซอาแล้วพอวันที่สองครับเจอเหมือนกันก็คือเจอทรมานด้วยความรุนแรงกัมปนาตเหมือนเดิมมีการแผ่นดินมีความน่าสะพึงกลัวคนที่โดนเนี่ยรู้สึกเมาจนกระทั่งว่าหน้าเนี่ยแดงก่ําจากตอนแรกซีดนะตอนนี้คือแดงก่ําเลยแล้วก็ในวันที่สองเนี่ยหลังจากผ่านพ้นไปก็มีเสียงบอกว่าผ่านไปแล้วสองวันเลยอีกหนึ่งวันวันที่สามโดนอีกครับหนักจนกระทั่งว่าทั้งหมดนั้นดำเลย หน้าดำแบบดำสนิทคือนาอูซบิลละไม่รู้ว่าโดนลงโทษหนักแค่ไหนแต่ว่าเมื่อครบสาวันปุ๊บทั้งหมดก็กลายเป็นศพอยู่ในบ้านของพวกเขาหมดเลยเหลือแต่บ้านเรือนให้เป็นที่เตือนใจให้มุสลิมเราได้รู้ว่านี่คือกลุ่มชนที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์แต่ด้วยความดื้อดึงด้วยความที่ว่าปฏิเสธนสัจธรรมด้วยความที่ว่าท้าทายต่อพวกอัลลอ์ด้วยความที่ว่าพวกอัลลอ์ให้เห็นสัญญาณต่างๆแล้ว เขาก็เลือกที่จะปฏิเสธแล้วเขาก็ได้เชื่อคนชั่วแทนที่จะเชื่อคนดีพี่น้องที่รักครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ว่าคนชั่วได้กลายเป็นผู้นำสังคมก็เหมือนกับพบกับความหายนะไปแล้วแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นคนที่ไม่ดีทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราแอบชอบเราก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเขาแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเราจะลงโทษกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดพวกเราจะไม่แบ่งแยกระหว่างใครเป็นใครลงโทษหมดเลยและถึงเวลาก็ฟื้นคืนชีพมา ใครเป็นคนดีก็อยู่ในกลุ่มคนดีใครเป็นคนชั่วก็อยู่ในกลุ่มชั่วนี่เป็นประเด็นจากซูรออัชชัมส์ที่อยากจะขอเตือนพี่น้องแล้วก็เตือนตัวผมเองด้วยนะครับว่านี่คือสิ่งประเด็นที่ว่าพวกเราต้องระวังเอาไว้ครับผมเรามาทบทวนความหมายจากซูร้อนี้ทั้งหมดนะครับพวกเราเริ่มจากไวชัมซีวัดูหาหาขอสาบานต่อดวงอาทิตย์แล้วด้วยยามสายของมันวัลกอมริอีดาตะละหาขอสาบานด้วยกับดวงจันทร์เมื่อตอนที่ได้มาภายหลังดวงอาทิตย์ วันฮารีไดจันแ ล, ล, ล้วฮะวันไลรีไดอยากแชร์ขอสาบาลด้วยกับยามกลางวันเมื่อแสงสว่างเรียบร้อยแล้วแลวขอสาบานด้วยกับยามค่ำคืนเมื่อมันค่อยๆมาปกคลุมวัสสามาอิวบ า, บ า, า, าววมาาหาหาขอสาบานด้วยกับท้องฟ้าและก็การสร้างท้องาแลสาบาด้วยกับื้นแผ่นดินแลก็การทให้แผ่นดินนั้นบเี วันับซิววมาซาวาฮาขอสาบานด้วยกับชีวิตจิตใจด้วยกับการสร้างชีวิตจิตใจการทําให้มันรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วกอตอัฟลาฮัมันซักแฮ์ก็อคคอบาแมนด์เซฮฮ์ใครก็ตามทําให้จิตใจของเขาสะอาดเขาได้รับชัยชนะใครก็ตามทําให้จิตใจของเขาสขปกปรกเขาขาดทุนสุดๆแล้ว ลอได้ยกตัวอย่างต่อมาว่าหลังจากว่าก็อตอัฟลามันซาแก่ว่าก็อตคอรามันเะซากลเซบาสเมูดบิโตก็ว่าฮากลุ่มชนสมูได้ได้ปฏิเสธด้วยกับการดื้อดึงต่อสัญญาณที่ลอร์ให้เขาเห็นอิซิมบาอะชก่ฮาเมื่อคนที่ช่วยลายที่สุดได้ริบเล็งออกมาในการที่จะทําการฝ่าฝืนฟอกอลาหุมรอซูรุลอยนากาตลอยบุสุกุยะฮาในขณะที่ศาสนาทูตของพระเจ้าก็ได้บอกว่านี่คือทูตของลลอร์ให้น้ํามันกินจ้ะ ฟักษาบูห์ฟักการูห์ฮะพวกเขาได้ปฏิเสธแล้วก็ได้เชื่ออุดฟัดดัมดัมะอไลฮ์มรับพวกเขาบิดามีมฟัดเซวะฮะพวกเราได้ทำลายพวกเขาด้วยกับความช่วของเขาเพราะความช่วของพวกเขาฮวาเลยาข้อฟุกบาฮะอายะสุดท้ายพวกเราได้กล่าวไว้ครับแล้วพวกเราอนนั้นไม่ได้กลัวสิ่งที่จะตามมาเลยนี่คือความใหญ่ของเหมายความว่าองครับพวกเราไม่กลัวสิ่งที่ตามมา พี่น้องทีละครับเราลองสังเกตดูบางครั้งถ้าเวลาเราอาจจะอยากทําร้ายใครอาจสมมติยกตัวอย่างครูครูมีนักเรียนคนนึงมาแล้วเราอยากจะตีสมมุตินักเรียนทําความผิดมากๆเราอยากจะตีบางทีเราอาจจะมาคิดเออถ้าเราตีไปเดี๋ยวผู้ปกครองจะมาด่าเราไหมเดี๋ยวจะลงสื่อเฟซบุ๊กสื่อโซเชียลไหมเดี๋ยวจะเกิดอันนั้นไหมเดี๋ยวจะเกิดอันนี้ไหมคือบางทีเราทําสิ่งที่มันต้องทําหรือทําสิ่งที่ว่ามันเป็นการต้องหักดิบเนี่ยบางทีเราต้องมานั่งคิดถึงผลที่จะตามมา แต่สำหรับพวกล้อถามว่าพวกล้อจําเป็นต้องคํานึงถึงผลที่จะตามมาไหมครับพวกล้อจำเป็นต้องคิดไหมว่าโอ้ยเดี๋ยวคนทั้งโลกมันจะมาทําร้ายฉันไหมหรือคนทั้งโลกจะเป็นผู้ศรัทธาไหมหรือจะไม่เป็นผู้ศรัทธาไหมหรือจะเกิดอะไรตามมาจะมีผลอะไรมากระทบกับฉันไหมไม่จําเป็นครับมีเพียงผู้สร้างเท่านั้นพวกล้อเท่านั้นที่ว่าไม่จําเป็นจะต้องแคร์ผลที่จะตามมาเมื่อไม่จําเป็นที่จะต้องแคร์ผลที่จะตามมาพวกจะทําอะไรจึงเป็นสิทธิ์ของพระอวกแล้วพคกสามารถทําทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องมีอะไรกักเลย ทั้งกลุ่มชนที่คิดว่ายิ่งใหญ่ที่สุดผลสุดท้ายก็ทำลายลาบทีเดียวแล้วโลกหน้าการลงโทษอันเจ็บแสบของอัลลอฮ์ก็เตรียมให้พวกเขาด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักครับอายะกุรานอายะสุดท้ายนิสรออัชชัมส์เราต้องตระหนักให้ดีๆนะครับว่าเวลาอย k าขฟุอุกบาฮาเวลาอย่าฟุอุกบาฮาและผ้อัลลอ์นั้นไม่กลัวถึงผลที่จะตามมาครับผม สำหรับวันนี้ครั บ, บากาพี่กุมจะาคุมลองขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่มามีส่วนร่วมอยู่ด้วยกันนะครับคุณอาเออซลนะครับว่าเสียงหล่ออก็อดาดละเสียงก็เป็นเสียงผมเนี่ยนะครับมันคงดีกว่านี้ไม่ได้แล้วก็หวังว่าจะไม่แย่กว่านี้นะครับผมสำหรับท่านที่สลามมากะวะ عليكم ا มตุล م ورحمت ا ครับผมอาจารย์อินดีมาดะบีบอกว่านะ الله لا يكاف أي شيء ا ل ذي سيأتي بعد كذي. ق و ل شيء. لو بما ا ن ن ا س ي ت د ر ب و ه سيؤذيه لا يؤذي الله س ل ك ذ ي هل أحد يمكن يؤذيه لا؟ أي ه ا إذن الله ي خ ا ف لا ي خ ا ف ه كذا. ط ي ب لا ي خ ا ف بأهل بارك الله فيك. كاب نكذب إجك مرة أخرى. อายะสุดท้ายเนี่ยแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพองละล้อแล้วก็คุณในลักษณะที่เราเรียกว่าความเกรียนไกลของพวงหรือว่าความทรนงของพองละล้อก็คือพวงละลนั้นไม่จําเป็นจะต้องแขกใครเลยในอายะอีกกุลานอีกย่าหนึ่งครับพวงละบอกไงครับกุลมายะบูบิคุมรบบีเราลาดูอาวกุ้งฝกกรกัตดับตุ้ฟฝศาวฝยักูนูดิซ่ามาพวงละได้ทรงกล่าวไว้ครับว่ามายะบูบิคุมรบบีพวงละนั้นจะไม่แข่อะไรพวกคุณเลยพวงละนั้น จะไม่แคร like ์อะไรพวกคุณเลยถ้าไม่ใช่ว่าพวกคุณนั้นวอนขอต่อพระองค์หมาความว่าเหตุที่พวกเราแคร์เราที่พวกเรารักเราเพราะเรานั้นขอต่อพระองค์เพราะเรานั้นศรัทธาต่อพระองค์เพราะเรานั้นกลัวพระองค์แล้วเพราะเรานั้นก็หวังจากพระองค์กุลมายะบูบิคุมรับีลาลาดูอาคุมจนกาเถือมวมัดพวกเรานั้นจะไม่สนใจอะไรพวกเจ้าเลยหากไม่ใช่เพราะว่าพวกเจ้านั้นวิงวอนขอต่อพระองค์ และแน่นอนพวกเจ้านั้นได้เลือกที่จะเป็นผู้ปฏิเสธก็คือพูดถึงผู้ปฏิเสธสตาร์าฟอกัตกัตับตุมฟอร์โฟียกูนูริซามาแล้วพวกเจ้าได้เลือกที่จะปฏิเสธแล้วแน่นอนผลที่จะตามมามันก็ชัดเจนอยู่แล้วมันก็แน่นอนอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ว่าพวกเราทุกคนก็ต้องตระหนักแล้วก็ระวังนะครับว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งการทดสอบแล้วผู้ที่ทดสอบเรานั้นคือผู้ที่มีความสามารถอย่างแอบโซลูต์ร้เเซเลยแล้วก็พวงก้อนนั้นไม่จําเป็น พระองไม่แคร์อะไรเลยถึงสิ่งที่จะตามมาอย่างที่ได้ยำ้ำได้พูดกันไปบ่อยๆนะครับที่ท่า น, นอับดุลเลาะห์สกลบอกว่าหากดุลยานี้มีคุณค่าสําหรับผู้ละล้อเท่ากับปีกยุ่งหากดุลยาทั้งหมดที่พระองค์สร้างมาดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ท้องฟ้าแผ่นดินกลางคืนกลางวันทั้งหมดที่พระองค์สร้างมาท่านอบีบอกว่าหากมันมีค่าสําหรับผู้ละล้อเท่ากับผีกปีกยุ่งถ้ามันมีค่าถ้าผู้ละล้อให้คุณค่ามัน พงคงจะไม่ให้น้ํากับผู้ที่ปฏิเสธต่อพระงพงคงจะไม่ให้สิ่งที่ต่ําใต้ที่สุดในสแตาของเราคือแค่น้ําคือเวลาเสิร์ฟแค่น้ำเนี่ยมันไม่เหมือนเสิร์ฟน้ําผ ล, ลไม้ไม่เหมือนเสิร์ฟน้าส้มไม่เหมือนเสิร์ฟอะไรที่มันอลังการแค่น้ําแต่พงกาบอกว่าหากดุนยามีค่าสําหรับพวงละเพียงเท่าปีกยุงพงคงจะไม่ให้น้ํากับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์แต่นี่พวกงละยังให้น้ํากับมนุษย์ทั้งโลกทั้งคนที่ศรัทธาต่อพง ทั้งคนที่ไม่ศรัทธาต่อพระองค์นั่นแสดงเห็นว่าดุลยามันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมพระพุทธล้อเหมือนกับที่ทนาลีได้พูดที่เราได้คุยกันไปในครั้งก่อนความสุขของดุลยามันก็แค่อยู่ที่ปากมันก็แค่อยู่ที่ทางทวันมันก็แค่อยู่แค่อะไรที่มันดูแล้วมันไร้ค่ามันต่ําต้อยแต่โลกหน้าพระพุทธล้อบอกว่าแน่นอนโลกหน้านั่นแหละคือชีวิตชีวาที่แท้จริงเพราะพระพุทธล้อนั้นให้ราคากับโลกหน้าให้ความสําคัญกับโลกหน้าแล้วเราล่ะครับจะยัง จมอยู่กับโลกยุนยาที่ไร้ค่านี้ไปถึงเมื่อไหร่ครับผมอกูลกาลีฮซวะสักูลลอฮะลีวะลกุมวลิซลิมสลมนมินุลิมัสักฟิูอินฮลกฟูระฮมซุบฮานัลลอฮมวฮัมดิกะ ا ل ه إلا أنت أستقیك و บัมัอัลลอฮบะากต